บทที่สิบสามพระมุนีพระองค์นั้นเพราะเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้กำจัดศัตรูคือกิเลสเป็นผู้ทำลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักเป็นผู้ควรรับปัจจัยเป็นต้นและไม่ทรงกระทำบาปในที่ลับดังนั้นจึงได้ชื่อว่าอารหังถามว่าความเคยชินนี้คืออะไรตอบว่า คือความสามารถพิเศษที่ถูกกิเลสมักดองไว้อันเป็นเหตุให้ประกอบกายกรรมและวจีกรรมแม้ของผู้ที่ขจัดกิเลสได้แล้วอันเสมอกับการประกอบกรรมของผู้ที่ยังขจัดกิเลสไม่ได้เหมือนเหตุในการพูดว่าคนถอยของท่านพระปิลินทวัฒนจะธรรมที่เป็นกิเลสเป็นชไหนคือกิเลส อันเป็นที่ตั้งสิบได้แก่โลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาถินะอุทจจะอหิอริกะและอโนตตัปปะอีกอย่างหนึ่งทรเจ็5ห้าอย่างคือนามธรรมห้าสิบสานิพพานรูป18อากาศธาตุและลักษณะรูป รวมเป็น150หอย่างโดยจำแนกตามรูปนามภายในและรูปนามภายนอกกิเลสมีอย่างละสิบในรูปนามแต่ละอย่างของรูปนามเหล่านั้นจึงมีกิเลส 1,500 อย่างโดยประการดังนี้พระศาสนาทรงแสดงธรรมประกาศสัจจะสี่ในที่สุดแห่งเทศนาพรมราวมื่นหนึ่ง ยังคันแห่งวิปัสนาให้ถือเอาโดยคล้อยตามเทศนาแล้วได้ดื่มน้ำอมฤตแห่งมักผลพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งโดยความเป็นธรรมอันควรรู้ด้วยปัญญาอันยิง่งตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ชัดโดยความเป็นธรรมอันควรรู้ชัดตรัสรู้ธรรมทั้งหลาย อันควรละได้โดยความเป็นธรรมอันควรละตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรกระทำให้แจ้งโดยความเป็นธรรมอันควรกระทำให้แจ้งตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรเจริญโดยความเป็นธรรมอันควรเจริญคำว่าอานาคามิโนปณะสุทธาวาเสสุอัปปัจชันติ ส่วนพระอนาคามีย่อมไปอุบัติในหมูพรหมชั้นสุทธาวาสหมายความว่าพระอริยะที่เป็นพระอนาคามีเจริญปัจจมัานทั้งสามอย่างในเวลาเป็นปุทุชนเป็นต้นหรือในภายหลังก็ตามย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นสุทธาวาสห้าชั้นตามลำดับความต่างกันแห่งอินทรีย์มีศรัทธาเป็นต้นอันหนึ่ง ในบรรดาพระอนาคามี enfin aku. พระอนาคามีผ uh. ู้มีศรัทธามากย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นอวิหาผู้มีวิริยะมากย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นอตตปาผู้มีสติมากย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นสุทัศสาผู้มีสมาธิมากย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้นสุทัศสีผู้มีปัญญามากย่อมไปอุบัติในหมู่พรหมชั้น อาการิถาดังนี้แลพระสัพพยุตยานของพระตถาคตเป็นไฉนคือยานที่รู้สังคตะธรรมและอสังคตะธรรมทั้งหมดโดยสิ้นเชิงชื่อว่าพระสัพพยุตยานในคำว่าสัพพยุตยา น, นัางนี้บุคคลผู้รู้ธรรมทุกอย่างอันแยกเป็นยยธธรรมห้า ชื่อว่าสัพพัญยูโดยแท้จริงแล้วทำทุกอย่างที่จำแนกเป็นสังคตะและอสังคตะเป็นต้นเป็นเยยธรรมหคือสังขารวิการลักษณะนิพพานและบัญญัติวัตตาสงสารที่เป็นไปในภูมิสามชื่อวัตทุกตัณหาเป็นสมุทยัยนิพพานชื่อว่านิโรธ มรที่เป็นโลกุตระชื่อว่ามร ก, การประกอบบทแต่ละบทในธรรมเหล่านี้มีดังนี้คือชาราและมรณะเป็นทุกขสัตว์ชาติเป็นสมุทัยความสลัดออกทุกขสัตว์และสมุทัยทั้งสองเป็นนิโรธศสัตว์ปฏิปทาเป็นเหตุให้รู้แจ้งนิโรธาสัตว์เป็นมรขสัต์ บูฟังคะปฏิจจสมุขบาทเหตุผลแห่งวัตตาสงสารรจนาโดยพระโสพนมหาเถระมหาศรีสยาดอตรวจชำระโดยพระพรโมลีแปลและเรียบเรียงโดยพระคันทสาราพิวงศ์จบบริบูรณ์ค่ะ